แต่ไปในที่สองเนี่ยนะในที่สองก็บอกว่าดูกวานพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวพระขีนาศพผู้ยังดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอันเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร์เป็นต้นก็ไม่พบโดยวิญญาณอธิบายว่าเทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์พร้อมทั้งพระพรหมประชาบดีสแสวงหาอยู่ก็ไม่รู้ว่าวิปัสนาจิตของพระอารหันต์มรรคจิตพลรจิตของพระอารหันต์เนี่ยปรารบอารมณ์อะไรเป็นไปคือพระอารหันต์คิดอะไรเนี่ยนะไม่ใช่วิสัยของ เทวดาพระอินทพระพรหมเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นจะรู้อะไรกับผ้าอรหันผู้ปริณิพานไปแล้วว่าผ้าอรหันจะเป็นอย่างไรเป็นต้นทีนี้มาขึ้นข้อใหม่ข้อ2องปดหดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทําไมจึงเป็นอย่างนี้ว่าเทวดาเป็นต้นเนี่ยสแสวงหาจิตของผ้าอรหันเป็นต้นเนี่ยไม่พบเนี่ยนะว่าอารมณ์ของท่านะท่านคิดอะไรท่านรู้อะไรข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเรียก บุคคลเช่นนั้นในปัจจุบันอันใครใครไม่พบคือไม่มีทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติจนสําเร็จสาวกของพระองค์นี้สำเร็จเป็นผ้าอรหันใช่ไหมอย่างเช่น อ, อนัตตลักษณะสูตรก็บรรูปเป็นผ้าอรหันห้ารูปอธิตะปรยยาสูตรก็บรรูุเป็นผ้าอรหรรอรรรันผห์ผันรูปเป็นต้นเนี่ยก็ผ้าอรหันเยอะแยะเลยเนี่ยนะเกิดมีคนที่เขาด่าพระพุทธเจ้าขึ้นเอา คนที่เขามาด่าคนที่เข้ามาแบบแบบมาแกล้งพระพุทธเจ้านะเรียกว่ากล่าวตูนี่นะเขาบอกว่ามีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตูเราขึ้นมาอย่างนี้คือคือทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เขาบรรลุอย่างนี้เขามากล่าวตูด้วยมุสาวาตอันไม่อันไม่จริงอันไม่เป็นจริงว่าสมณะโคดมคือผู้ที่ทําสัตว์ให้พินาศสัตว์เนี่ยมีจริงๆริงไง้ไอ๋อไม่มีจริง แล้วเขามาบอกว่าพระพุทธเจ้าคือคนที่ทําสัตว์ให้พินาศและพระสมณโคโดมเป็นคนที่บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีพบแห่งสัตว์ที่มีอยู่ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าคือคนที่ฆ่าสัตว์ให้ศูนย์จากวัตะให้ศูนย์จากพบสัตว์นี่มีอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าทําสัตว์ให้ศูนย์เพราะในนี้น เ, นเลยก็เรียกว่ามาพพวกกล่าวตูพระพุทธเจ้า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่ทําสัตว์ให้พินาศด้วยเหตุใดและไม่บัญญัติความขาดศูนย์แห่งสัตว์แต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังกล่าวตูเราด้วยมุสาวาศเปล่าๆอันไม่จริงอันไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทําสัตว์ให้พินาศบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีพบแห่งสัตว์ผู้มีอยู่นะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทํำสัตว์ให้ขาดศูนย์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่าง มหาศาลเพราะอะไรทําไมจึงเรียกว่าบุคคลผู้บอกว่าพระพุทธเจ้าว่า ก, ก็น่าจะคิดเออมันก็น่าจะคิดเหมือนพวกพรามณเขาคิดกันใช่ไหมว่าเออพระสมณะโคโดมพู้เป็นคนที่ทําสัตว์ให้ขาดศูนย์เพราะอะไรเอาพระสาราเกิดมาอีกไหมปฏิสนธิจิตของพระสาราเป็นต้นจะมีขึ้นอีกต่อไปไหมไม่มีเมื่อไม่มีเอ้มันน่าจะฟังขึ้นใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ทําให้สัตว์นี้ขาดศูนย์สัตว์มีอยู่จริงไหม ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นพระเราย่อมบัญญัติแต่ทุกข์กับความดับทุกข์ทั้งในการก่อนและบัดนี้ความจริงเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นอดีตก็คือกองทุกข์อนาคตที่จะมีต่อไปก็คือกองทุกข์สภาวะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันก็คือกองทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทุกข์เป็นอย่างนี้นะธรรมะที่ดับทุกข์เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่แรกตรัสรู้จวบจนปรินิพานพระพุทธเจ้าก็สอนทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยนะทุกข์คืออะไรทุกขสัตว์เป็นชื่อของอุปาทานขันห้าความดับทุกข์เป็นชื่อของนิโรสัจจ์เนี่ยนะท่านอธิบายว่าทุกขังเจวะปัญญเปมิทุกขสานิโรทางความว่าตถาคตอยู่ที่โพที่มันทสถานที่คนต้นโพเนี่ยนะ ยังไม่ประกาศพระธรรมจักรก็ดีหรือตลอดจนถึงพระองค์ประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปัตนบุริกทายาวันเป็นต้นก็ดีพระองค์ก็ย่อมบัญญัติสัจจะสี่เท่านั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนแต่อริยสัจสี่ประการนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าสัตว์ท่านเห็นรูปเป็นสัตว์ใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเป็นสัตว์ใช่ไหมความประชุมแห่งขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมอันนี้ใช่ ความประชุมแห่งขันห้าเป็นที่ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมบอกใช่และขันห้าเป็นรูปเป็นสัตว์ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะเขบอกว่าอย่างที่ว่าอย่างร่างกายของที่เราเรียกว่าเราเนี่ยก็เพราะมีองค์ประชุมประชุมแต่ถ้าแยกจําแนกแยกแยะเรียกย่อยเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาว่าเป็นเราเป็นต้นเนี่ยนะมันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ประกาศแต่สัตว์จะสี่เท่านั้นตั้งเรกตรัสรู้จวบจนปรินิพาน สัสจจะสี่นั้นเขาบอกว่าถ้าพูดคำว่าทุกเนี่ยนะทุกทั้งหลายก็ย่อมมีมูลเหตุใช่ไหมถ้าพูดทุกพับชื่อว่าแสดงสมุทัยแล้วเพราะทุกทั้งหลายมีสมุทัยเป็นแดนเกิดถ้าพูดความดับทุกซึ่งเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกสงบทุกเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุพระนิพพานก็เรียกว่าอารยมรรคก็ชื่อว่ากล่าวแล้วสรุปว่าทั้งอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็ประกาศแต่สัสจจะสี่เท่านั้นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตก็ประกาศ สัสจจะสพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ประกาศสัสจจะสี่ถึงพระพุทธเจ้าผู้ประกาศสัสจจะสี่ก็ถูกดา่าเห็นไหมเขามีอยู่ข้องแบต่อไปบอกว่าถ้าว่าบุคคลเหล่าอื่นย่อมด่า บ, บริภาคด่านี่แปลว่ารุนแรงมากโกรธเบียดเบีย น, ยนกระทบกระเทียบตถาคตเนี่ยนะบอกว่าด่าไม่ไหวจ้างด่าเลย น, น, นะไอ้พวกบางคนบอกว่าไม่รู้จะไปด่าพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอะไรรับจ้างด่าก็มีสมัยพุทธกาลมีหมดะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีคนที่ทั้งดา่าบริภาษโกรธเบียดเบียนกระทบกระเทียบตถาคตในการประกาศสัจจะ4ประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่มีโทมนัตไม่มีจิตยินร้ายหมายถึงว่าเขาจะดา่ายังไงก็ช่างแต่พระพุทธเจ้าก็ประกาศสัจจะของพระองค์เรกตรัสรู้จวบจนปริจุบนนี้านถูกด่าตลอดแต่พระองค์ก็ไม่ได้โกรธอะไรเนี่ยน ไม่มีความอาฆาตแล้วก็ไม่มีความเสียใจแล้วก็ไม่มีปฏิฆะขัดเคืองใจแบบขุนใจเลยเนี่ยไม่มีนี่ตรงกันข้ามผู้ที่เขาฟังธรรมแล้วมีดีมีเหตุผลฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตรัสรูบ้บรรลุทำตามพระพุทธเจ้าเขาเรานั้นทำไงสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคต ในการประกศราศสัจจะสี่แหมพระพุทธเจ้าดีแท้นะพระองค์แสดงธรรมเป็นสวากขาโตพระควาตาธรรมโมพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชื่นชมพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็สักการะเคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าแต่ตถาคตก็ไม่มีความยินดีด้วยตัณหาไม่มีโสมนัตที่ประกอบด้วยตัณหาไม่มีใจเย่อหยิ่งด้วยลำพองด้วยมานะในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้น องไม่มีตันหามานะเพราะลาบสักการะชื่อเสียงและสันเสริญเลยถูกด่าก็ไม่โกรธเนี่ยนะเข้ามาบูชาชื่นชมสันเสริญก็ไม่มีโลภะและโสมนัสด้วยตันหาเลยถ้าว่าชนเหล่าอื่นย่อมสักการะคารพนับถือบูชาตถาคตในการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตมีความคิดขึ้นว่าในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นอย่างนี้ว่า สการะเห็นปานนี้บุคคลกระทาแก่เราในขันธปัญจกะที่เรากำหนดรอบรู้ด้วยปริญญาสามเสร็จแล้วเนะก็คือเข้ามาบูชาในสิ่งที่พระองค์พิจารณาจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนะในหน้าส2 0ย่สล่างๆบอกว่ายังโข อ, อีทางปุเพปริญญาตังความว่า ขันธปัญจกะนิไดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นิไดพระผู้มีพระภาคเจ้ากำหนดรอบรู้แล้วด้วยปริญญาสามคือยาตะปริญญาตีระปริญญาปะหานะปริญญาเนี่ยนะเสร็จแล้วตั้งกาเรกถึงคนอื่นจะมาสักการะเขาก็สักการะอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอธิบายว่าความคิดว่าสักการะนี้จะมีในเราพระพุทธเจ้าเอารูปว่าคิดว่าพระองค์เราคือรูปใช่ไหม ตรงสําคัญผิดว่าเราคือรูปเราคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมไม่มีพระองค์จึงไม่มีความคิดว่าเขาสักการะเราหรือว่าเราจะเสวยสักการะสรุปว่าเออเนี่ยเขาบูชาเราเราจะบริโภคสักการะเหล่านี้ความคิดอันนั้นก็ไม่มีในพระตถาคตโดยอาศัยขันห้าเพราะขันห้าของพระองค์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งที่เราสวดกันว่าไม่ผู้ไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตน หรือที่เรียกว่าผู้ไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นอัตตาเพราะท่านไม่เข้าใจผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นเราต่อไปบอกว่าพราะองค์มีความลํำหิีว่าตถาคตสเวสวยสักการะของขันธปัญจกะที่กำหนดรู้แล้วแต่การก่อนนั้น่ะและขันธปัญจกะย่อมสเวอสวยสักการะเหล่านี้เขาบูชาขันหขันหบริโภคสักการะก็มีอยู่เท่านี้ก็มีแต่ขันหรับเครื่องสักการะ ขันห้าใช้สอยเครื่องสักการะ ก, ก็มีแต่ขันห้าเมื่อรูปสลายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาสลายไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรอีก嘛เพราะฉะนั้นใครที่มากล่าวตู่พระองค์เนี่ยนะคนที่ตําหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยมากคือผู้ที่ไม่ตรัสรู้ตามและไม่คิดจะตรัสรู้ตามไม่ต้องการตรัสรู้ตามที่นี้ทําไงดีกันนี้เมื่อไม่อยากรู้ตามไม่อยากบรรลุตามไม่อยากอะไรตามไลยทาไงก็ด่าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะ ก็เป็นอย่างนี้แล้วพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลทีนี้ก็อาศัยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะตัวพระองค์เองว่างั้นเถอะก็ถูกด่าเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ได้รับคําทั้งเทวโลกธรรมทั้งลาบและเสื่อมลาบได้รับทั้งนินทาและสรรเสริญได้รับทั้งส ก, การะและอส ก, การะแม้แต่พระองค์ยังเป็นอย่างนี้พระองค์บอกว่าเพราะเหตุนั้นและพิสูจทั้งหลายแม้ว่าถ้าว่าชนเราเอิงเพื่งดา่าบริภาศ โกรธเบียดเบียนกระทบกระเทียบท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ไม่พึงทําความอาฆาตไม่ถึงไม่พึงทําความโทมนัสไม่พึงทําความไม่ชอบใจในชนเหล่านั้นเขาด่าก็อย่าโกรธเขาก็าแล้วกันนะสรุปเขาจะโกรธเขาจะเกลียดเขาจะเครียดเขาไม่ชอบก็อย่าโกรธเขาตอบไปแล้วกันเพราะเหตุนั้นแหละพี่สูตทั้งหลายถ้าว่าชนเหล่าอื่นจากสักการะเคารพนับถือบูชาท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็ไม่พึงกระทําความยินดีโสมนัสด้วยอำนาจโลภะเนี่ยนะไม่พึงกระทําความเย่อหยิ่งพยองด้วยมานะแห่งใจในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายถ้าว่าท่านถ้าว่าชนเราอื่นสักการะเคารพนับถือบูชาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงมีความคิด ในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นนั้นอย่างนี้ว่าสักการะเห็นป่านี้บุคคลกระทําแก่เราทั้งหลายในขันธปัญจกะคือขันห้าที่เราทั้งหลายกําหนดรอบรู้แล้วด้วยปริญญาสามเพราะทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญพันเขาเขาบูชาขันห้าที่เธอกําหนดรอบรู้เสร็จแล้วเท่านั้นเลยเพราะเหตุนั่นแหละภิสูจทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสรุปมันก็มีแต่ขันห้าใช่ไหมว่าขันห้าเป็นของใครล่ะเพั้นอะไรก็ตามเธอถ้าความเป็นจริงมันไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละได้แล้วจากอํานวยประโยชน์สุขสิ้นกาลนานก็ได้อีกสํานวนนึงเขบอกว่าขันห้าที่ท่านทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนาน อ้าวแล้วอะไรละ่ะที่ไม่ใช่ของท่านทั้งหลายหรือไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอะไรไม่ใช่ของเธอรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละละแปลว่าตัดฉั้นราคะตัดอะไรตัดเยื่อใยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลเพื่อ ความสุขเราคิดดูนะถ้าเราอยู่แบบคนเพาะเชื้อตัญหาในขันหน้าตลอดเวลากับคนที่ดับเชื้อโรคคือตัญหาในขันหน้าเสร็จเนี่ยอันไหนน่าจะสบายกว่ากันด้วยขันห้าตัญหาที่มีอยู่ในขันห้าไม่ได้น่ากลัวเท่ากับหวัดนกโรคนะนะวัดนกถูกตายครั้งเดียวนะสมมติถ้าเป็นหวัดนกนะถูกเชื้อตายชาติเดียวแต่ถ้าเป็นตัญหาเพาะเอาไว้ในขันห้านะอุ้ยถูกเชื้อทุกทุกชาติที่เกิดเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น เพราะฉะนั้นตันหามันนําเกิดตลอดน่ะนำเกิดไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นมันก็เป็นความตายที่ไม่มีจบมีสิ้นดูความพิสูจน์ทั้งหลาย น, นะนะพระองค์ก็เปรียมให้ฟังว่าท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยถ้าใครจะเพ่งนําไปเผากระทำหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในพระเญตะวันนี้ตามความปรารถนาอตอนที่ไปอินเดียเกือบทุกครั้งก็ต้องตัดหญ้าเลยตัดหญ้า ครั้งที่แล้วบอกยอมยไปจ้างไอ้คนตัดหญ้าให้หยุดหน่อยได้ไหมหเราจะสวดมนต์ก่อนเนาะให้ไปห้ิรูปีเงียบเลยนะก็เลยสวดมนต์จนจบแล้วก็แต่ดังต่อไป <S <S นี่ครั้งก่อนเนี่ยปก็โอตัดกิ่งไม้ที่เชตาวน่ะนะที่เชตาวนก็ตัดกันลิงกระโดดโต้เต้นไว้นั่นแหละเนี่ยตอนที่เขาตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เขาทาอะไรกทั้งเขาเลื่อยทั้งผ่าเป็นต้นเนี่ยเธอมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าเขาเนี่ยกำลังเผาเรา เราเนี่ยถูกเขาตัดถูกเขาเผาเนี่ยเขากําลังทําร้ายเรานะเนี่ยเพราะเขาตัดหญ้าตัดต้นไม้ในเชตาวันน่ะเธอคิดอย่างนั้นบ้างไหมไม่เป็นอย่า ง, งานั้นพระเจ้าค่าอา้าวทาไมล่ะก็เพราะว่าต้นไม้พวกนั้นไม่ใช่อัตตาหรือบริขารที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเออใช่แหละใช่แหละถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพี่สู่ทั้งหลายอะไรถ้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ละสิ่งนั้นซะอะไรล่ะที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเพราะ นนถ้าละได้เสร็จเนี่ยนะก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลาย ultimate. สิ้นกาลนานก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทีนี้สรุปว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเทศมาทั้งหมดดีไหม บอกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วสรุปหน้านี้เรียกว่าสวากขาโตพระวตาธรมโมเนี่ยนะเป็นของตื้นอุ้ยมันง่ายที่สุดแล้วมันรู้จะทํายังไงให้มันง่ายกว่า น, นี้อีกนะง่ายก็มีอยู่ข้อเดียวทําให้มันมักง่ายกันนั่นแหละมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วละ่ะของเนี่มันก็ง่ายที่สุดเปิดเผยปรากฏแยกขยายทำสุดหมดแล้วหว่างอัน ภิกษุเหล่าใดเป็นะ้าหันตะขีนาศมีอาสะวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่จำต้องทำทําเสร็จแล้วมีภาระปรงแล้วลุถึงประโยชน์คืออรหัตผลของตนมีสัญญน์ในพบสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบรู้ด้วยปริญญาปหาหนะเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุเหล่านั้นไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปหมายคำว่าเข้าใจตามนี้และประพฤติปฏิบัติตรัสรู้เป็นะ้าหัน ตายแล้วก็ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรต่อไปแล้วบอกว่าจบกันดูกันพิสูุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยนะสรุปว่าสอนไว้ดีจริงๆอะ่ะแหละเป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วพิกษุใดละโอรัมภากยะสังโย์ทั้ง5ประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอป ป, ปาติกะปรินิพานในโลกนั้นมีอันไม่กลับจาก โลกนั้นเป็นธรรมนาก็เป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิอีกในภพนี้อีกต่อไปดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์สได้แล้วมีราค้โทสะมีราค้าโทสะโมหเบาบางภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกท า, าคามีมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้น คือมาปฏิสนธิในภพนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจักทาที่สุดแห่งทุกได้ดูกอนพิสูุนทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายพิสูุเหล่าใดละสังโยชน์สามประการได้แล้วพิกูุเหล่านั้นเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงคือเราประชุมมรดปดเสร็จแล้วเนี่ยนะมีปัญญาเครื่องตรัสรูจ้จะบรรลุมชั้นสูงต่อไปในบายภาคหน้าอันนั้นนี่ก็สี่หัวข้อหลักก็คือพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีและพระอรหรพระโสรบันอันนี้เน้นพระอริยบุคคลที่เป็นอริยผลผู้ตั้งอยู่ในอริยผลที่นี้ผู้ตั้งอยู่ในอริยมรดบ้าง ดูการพิสษุน์ทางหลายทำที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผย ป, ปรากฏแยกขยายภิสูจเหล่าใดเป็นธรรมานุสารีเป็นสัทธานุสารีแปลว่าผู้ที่เจริญพิเศษด้วยปัญญามีปัญญาเป็นอธิบดีในการปฏิบัติบรรฑุอริยมรรคโสดาปติมรรคของท่านเรียกว่าธรรมานุสารีถ้ามีศรัทธานำหน้าเป็นเครื่องปฏิบัติและตรัสรู้บรรฑุโสดาปติมรรคอันนั้นก็เป็น สัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดมีปัญญาเครื่องตรัสรูด้ดีเป็นเบื้องหน้าจะผู้ที่อยู่ในโสดาปฏิมักจะต้องได้สกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักแน่นอนเพราะอะไรเพราะธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนื่องจากว่าสวาขาโตภควตาธรมโมเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยาย ธรรมะที่สอนไว้ดีจึงมีผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผู้ที่บรรลุสามัญญผลโสดาปติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลทีนี้ถ้าเกิดผู้ปุตุชนละ่ะดูความพิสูจน์ทางหลายธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วบุคคลเหล่าใดเนี่ยนะมีเพียงความเชื่อมีเพียงความรักในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้านะเอาข้อสุดท้ายก็ยังดีในข้อสุดท้ายก็ยังดีใช่ไหมทำเป็นเหมือนมากน้อยจริงก็ไม่มากน้อยหรอกมันทำอย่างอื่นมากกว่านี้ไม่แน่นะวันนี้จังทำไม่ได้ใครจะรู้นะใครจะรู้พรุ่งนี้เนี่ยนะนอกชาตินี้ทำไม่ได้ใครจะรู้ชาติหน้าเป็นต้นใช่ไหมสรุปเอาจนได้สักวันนึงแหละที่นี้เขาบอกว่า เมื่อธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วอย่างนี้ในหน้า323เยสังมยิสัทธามตังเปมมะมะตังนี้ท่านประสงค์เอาบุคคลผู้เจริญวิปัสนาพิจารณาตามคําสอนแต่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอะไรได้มีเพียงแต่ความเชื่อมีเพียงแต่ความรักว่า ง, งั้นสัทธามะตะแปล ว, ว่ามีเพียงแต่ความเชื่อเปมะมะมตะเปมมะแปล ว, ว่ารักนั่นแะนะมีเพียงความรัก ในหรือจะเชื่อหรือรักในพระทศพลก็ตามเธอก็เป็นเสมือนความเชื่อความรักนั้นไอตัวความเชื่อความรักนั้นอ่ะเหมือนกับจับมือเอาไปวางไว้ในสวรรค์โอ้ยอย่าไปคิดนะว่าตัดสัทธาพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ดีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพิสูจนี้เป็นผู้มีคติแน่นอน ท่านบอกภิกษุโบราณท่านเรียกว่าเนี่ยแหละเรียกว่าจุลโสดาบันเพราะมีความเชื่อความเลื่อมใสวสวากขาโตพระวตาธำมองเข้าใจอย่างดีว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูอะไรเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตัวเองกําลังพิจารณาอยู่แล้วก็พูดทางสระังคฉาม่อย่างแน่นแฟนเขาบอกว่าศรัทธาที่มีอยู่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามศรัทธาและความรักอันนั้นเหมือนกับจับมือฉุดไปวางไว้ในสวรรค์เนี่ยนะไม่ได้อะไรก็ได้ตรงนี้ก็แล้วกันเหมงอนกัน ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่พระพุทธเจ้าปรารถนาทุกประการเทินนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะ